สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการสันนิานสนทนากันเรื่อยมาถึงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางสถานีวิทยุ FM106 สถานีวิทยุสทรของทานเรือค่ะและเป็นคลื่นที่เรามีคำจำกัดความว่าครอบครัวข่าวเพราะว่าที่นี่ทำงานกันอย่างสนุกนะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับรู้รับทราบไม่มีการตกข่าวไม่มีการ พ้นสมัยเลยแม้แต่กระทั่งรายการธรรมะของเรานี่ก็พยายามที่จะให้อยู่ในยุคอยู่ในสมัยเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าธรรมะเนี่ยใช้ได้กับทุกการทุกเวลาเป็นอากาลิโกอย่างที่เราสวดมนต์ในบทอิติปิ โ, โสสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยจะมีการพูดถึงว่ า, าเป็นอากาลิโกนะคะทีนี้มาถึงสิ่งที่ดิฉันสนใจจะมากราบเรียนถามพระอาจารย์พบุญอภิปุนโนในวันนี้ ก็เห็นมีข่าวออกมาทั้งๆ ท, ที่ตัวเองบ้านก็อยู่ใกล้บริเวณที่เขาเห็นเนี่ยนะคะไม่ได้เห็นก็คือแสงประหลาดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเขาบอกว่าเกิดขึ้นเป็นตั้งสี่สิบจุดนะคะทําให้คนกรุงภาษาข่าวก็ต้องเขียนหวัหวขอหอกแตกตื่นแสงประหลาดหลายจุดกว่าสี่สิบแห่งในช่วงเย็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจนถึงสุดท้ายที่อ่านข่าวในวันนั้นเนี่ย มอกเป็นวัตถุเรืองแสงลอยอยู่เหนือฟ้าพอฟ้าเริ่มมืดก็เลือนหายไปลักษณะของแสงอันนี้เนี่ยนะคะวัตถุอันนี้เนี่ยบางอันก็หมุนซ้ายขวาเคลื่อนตัวไปตามแรงลมบางอันก็ตามลมบางก็ย้อนศรเคลื่อนตัวอิสระไปทางทิศตะวันออกช้าๆกล้องมองไม่เห็นว่าจะเป็นโคมที่แหมคนไทยนิยมจุดกเกลื่อเกินนะคะปล่อยโคมแล้วก็มี อากาศยานนี่ก็บอกไม่เห็นเหมือนกันหรือว่าจะเป็นนักโดดร่มนี่ก็มองไม่เห็นที่สําคัญคืออุปกรณ์ในการตรวจสอบอย่างเรดาร์เนี่ยตรวจไม่พบอ่านั่นก็ข่าวหนึ่งผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งมีการพบว่าโบดเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นโบสเก่าที่แหลมตะดุมพุกอเาเภอปากพะนงังปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อดิฉันอายุ ป, ประมาณสามขวบเนี่ย น, นะคะได้เกิดวาตาภัยหรือว่าเกิดลมพายุอย่างแรงจนกระทั่งทาให้ วัดนี้จมหายไปในน้ำเกือบหมดทั้งวัดเลยนะคะโบสถ์เบรดจมไปหมดผ่านมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยสี่สิบเจ็ดปีจากการที่เ็าไม่เคยเห็นซากมาก่อนเลยก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างตามข่าวบอกว่าชาวบ้านเชื่อว่ามหัสจั์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรรดาลให้เห็น เป็นการรับรู้การสร้างโบทใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมาแทนโบทเก่าและขณะนี้เนี่ยสร้างอยู่ในระยะที่ 60% เเซนจะต้องสร้างต่อไปอีกกับอีกข่าวหนึ่งมีต้นไม้ต้นตะเคียนท อ, องโคกต้นใหญ่มากนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เกือบ3เมตรอ่ะสูงตั้งตั้งกว่าเมตรตายแต่ว่าเขาก็เอามากราบไหวบูชากันเป็นอย่างดีอยู่ที่สนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้ววันหนึ่งก็หายไป บ้านซึ่งเคยไปกราบไหว้ขอหวยแล้วถูกเนี่ยก็ก็ตกใจคงจะอยากได้อีกสักงวดสองงวดอะไรเงี้ยนะคะไปสอบถามก็ได้ความว่าทางสำนักสงฆ์แห่งนั้นมีความจําเป็นว่าต้องขายไปเพื่อที่จะเอาเงินมาทําในสิ่งที่สำ น, นักสงฆ์เห็นว่าสําคัญในราคา 10,000 แบาทเขาก็ตรวจสอบกันว่าเอาขายไปให้วัดไหนก็ไปสอบถามวัดที่ซื้อมาชื่อวัดใซไซอะไรซักอย่างต้องขอประทานโทน่าที่ฉนไม่ได้จดมาอยู่แถวๆจังหวัดนนทบุรีทางเจ้าอาวาสก็บอกใช่ซื้อมาจริง ไปกำแพงแล้วไปเจอก็ไปซื้อมาแต่ซื้อมาในราคาสองแสนบาทมันก็เลยเป็นประเด็นกันงอกงามใหญ่โตแต่ชาวพุทธทั้งหลายบอกมันเป็นประเด็นที่ในฐานะเป็นชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยบางครั้งมันก็วันไว้หดหูนะคะ <c oughs> เราจะทํายังไงดีกับปรากฏการเหล่านี้จะวางจิตวางใจยอย่างไรดี <c oughs> เดี๋ยวไปนวะันส ก, การกราบเรียนถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโด้วยกันนะคะ <c oughs> โลกตอบธรรมท่านฟังค่าขณะนี้พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาอยู่ในช่วงของถามโลกตอบธรรมนมักการะท่านค่ะแต่จะเป็นพรเหตุการณ์วุ่วาหมดเลยนะคะพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยเราต้องไปพึ่งพระพุธธรรมประสงค์จริงๆพึ่งอย่างไร ลองดูสิถ้าเมื่อไหร่เราหวั่นไหวหัวถูเจอเรื่องนั้นไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่เข้าใจลองถามตัวเองสิว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ข้างๆเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงแล้วทาสามที่ท่านทําพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงครับท่านพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะไม่หวั่นไหวหัวถูท่านก็จะนิ่งเออเรามาดูสิเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งใช่ไหมเอามาดูสิเพระพระธรรมเนี่ยบอกจะบอกให้เราทํำยังไงพระธรรมก็จะบอกว่า เธอถ้าเธอเห็นเรื่องอะไรที่แบบมุ่หวาหรือว่าไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่อย่าด่า ก, กันอย่าพูดเพ้อเจ้อนะอย่าพูดคําหยาบอย่าเถียงกันเพราะเอาเรื่องนั้นเป็นเหตุเพราะฉะนั้น mm. ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เราไม่ต้องเป็นผู้เป็นมงคลตื่นข่าวใช่ไหมเราเป็นผู้มีพูะพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยเราก็ทำไงล่ะก็ยังให้ทานอยู่ศีนลสสนอกรักษามไหมก็รักษาศีลอยู่แล้วไอ้ว่าทํา จะเริยนภาวนาไหมหรืออยู่บ้านจริญภาวนาไห ม, หออไหมก็ยังทําอยู่แต่แล้วเราจะดา่าใครมันเราไม่ดา่าผู้อย่างเงี้ยถึงจะทําถูกเพราแต่ถ้าเราจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยนี่เป็นนั่นไม่เราไม่หร อ, หรอฉันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเราเกิดการเถียงขึ้นนะไม่ควรทําอำมันจะเป็นอะไรกระช่างเถอะแต่ว่าเราอย่าด่าใครอย่าว่าใครอย่าเสียงกันอย่าทะเลาะวิวาทอย่ามาหลอกคนอื่นหากินด้วยเอาเหตุนี้เป็นเหตุแค่นี้ก็สบาย ไทยจะว่ายังไงเราไม่มีทางผิดเลยพระรูปเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นอปันนกะธรรมธรรมที่ไม่มีทางผิดอืมออัป น, นากะธรรมใช่คืออยาดากาันอย่าว่ากันอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าพูดคำหยาบอย่าทุ่มเถียงกันใช่ก็คือลักษณะของศีนนั่นเองเป็นอปันนกะธรรมอปันนกะธรรมแล้วพระรูปเจ้ายังบอกอปันนกะธรรมเนี่ยังยังรวมไปถึงทั้งสายนะสายสายอันแรกก่อนคือให้ตัวเองตั้งอยู่ในศีนก่อนแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ย ให้เจริญเมตตาไปทั้งสี่ทิศทั้งหกทิศด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้าบนด้านล่างตลอดทางเสมือนหน้าการตลอดโลกของปวงต่อให้ใครก็จะว่ายอย่างไรอันนี้จะเป็นมาจากอวากาศหรือมาจากใต้ดินฉันก็มีความสุขตอนนี้วะนี่ออกไหมค่ะนี่คือเป็นอภารณาการธรรมธรรมที่ไม่ผิดคนหนึ่งก็จะมาด่าล้วได้ไหมว่าเออเธอทํำนี้ไม่ถูกไม่ได้เลยเพราะมันไม่ผิดอืมเออ นี่คือถ้าเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งค่ะในถ้าเอาพระสงค์เป็นที่พึ่งก็คือว่าเฮ้คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไม่ด่าคนอื่นไม่ว่าคนอื่นคนธรรมดามาทําดีก็ดีได้เหมือนกันค่ะเพราะั้นเราเป็นคนธรรมดาเราจะทําดีทำไมจะดีไม่ได้เราก็ทําได้อันนี่คือผู้ที่เอาเอา พ, พระธรรมมาสง่งเป็นที่พึ่งยังไม่เข้าใจในเรื่องของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะท่านคะพระสงฆ์เนี่ยคือใครพระรูจ้าบอกว่าพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วค่ะเป็นคนธรรมดาเลยโนเนม เป็นใครก็ได้ชาวบ้านนะตลาดธรรมดาทดําดีเป็นคนดีได้ผู้ปฏิบัติดีไงค่ะผู้ปฏิบัติชอบทําไงปฏิบัติดีก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่เป็นธรรมปณกาธรรมเธอไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมแล้วเธอมาแผ่เมตตาไปทั่วอตลอดโลกทั้งโปวงที่มีอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นคนดีที่ดีขึ้นมาได้คนธรรมดาดีขึ้นมาได้เท่ากับว่าท่านาจรกําลังจะพูดถึงพระสงฆ์ที่มักจะได้ยินคนพูดว่าเป็นพระสุปฏิปันโนไหมคะ ใช่ใช่ก็เป็นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอ บ, ชอบสมควรแก่เพศสมณนะใช่ก็คือเป็นเครื่องยืนยันพระทีเจ้าพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเท็จติมอร์เนรอรเลยครื่องยืนยันว่าไม่ใช่เราเท่านั้นนะที่ทําได้อคนอื่นใครก็ได้ในกอในขอที่ทําดีขึ้นมาแล้วปฏิบัติอย่างที่เราสอนบอกสอนร่ําสอนอยู่อย่างเงี้ยจะทําให้แจ้งซึ่งพระสัทธา ม, มิ่งนี่คือพระสงฆ์ค่ะเออ เพราะงั้นเราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเราเป็นชาวบ้านร้านตลาดเหมือนกันต้องเสื้อนุ่งกางเกงเหมือนกันเฮ้เราทําดีทําไมเราจะดีไม่ได้ ม, มันต้องดีได้<ม>นี่คือคนที่เาอาไปส่งไปซี้พิ่มเพราะว่าเราก็เห็นอยู่เพราะส่งที่ปฏิบัติดีประบัะบชอบก็มีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวฉันสรุปเลยนะคะทา่านว่าถ้าเมื่อเห็นเหตุการณ์ในทํานองนี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าสมมุติเป็นแสงวูบว่าหาเหตุผลไม่ได้ไอ้นั้นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่บางคนอาจจะคิดว่า โอ้โหนี่มันเป็นปรากฏการณ์เทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้กำลังจะมาบอกเราหรือเปล่า<อ>ว่าโลกใบนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นทั้งดีและไม่ดีมันเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนคิดไปในทำนองนี้และอื่นๆต่อไปคือฟุ้งไปทั้งหมดนะคะ<อ>ในกรณีที่เห็นโบทเก่าซึ่งจมอยู่ไปตั้งสี่สิบเจ็ดปีเกือบห้าสิบปีเนี่ย<อ>โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะความคิดที่ว่า มาแสดงความยีกับการสร้างโบสถ์ดิฉันก็ว่าเป็นความคิดที่เข้าท่าเหมือนกันนะคะใช่ก็ทําให้คนถิดเป็นกุศลค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยสันเสริญการเป็นกลางกลางรเปล่าคะพุทธเจ้าสันเสริญความไม่เป็นมงคลตื่นข่าวความไม่เป็นมงคลตื่นข่าว น, นะคะเป็นเมตตาสันเสริญผู้ตั้งมั่นอยู่ในสีค่ะและอย่างกับกรณีซื้อขายต้นไม้เนี่ยดิฉันว่าคนจะรู้สึกขดโทนะคะ <c oughs> ว่าอ้าว ก็บอกหวยวันนั้นถูกเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะคิดกันต่อไปคิดไปบางทีเราก็ตกใจเนี่อันนี้ฉันบาปหรือเปล่า <c oughs> ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ <c oughs> พึ่งพระพุทธต้องอย่าเป็นพวกมงคลตื่นข่าว <c oughs> ต้องไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวหดหูนะคะและถ้าพึ่งพระธรรมก็คือต้องเป็นอะปันอากาศธรรมอย่าด่ากันอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดคําหยาบอย่าทุ่มเถียงกัน <c oughs> แล้วก็ให้ตั้งศีลเจริญเมตตาทั่วทั้งหทิศเนื้อใต้ออกตกล่างบนใช่ค่ะ <c oughs> กับทะพึ่งพระสงฆ์ก็คือให้คิดว่าพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาหากประพฤติปฏิบัติชอบตามที่พุทธบัญญัติแล้วก็สามารถที่จะเป็นพระสุปฏิปันโนควรแก่การเคารพกราบไหว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตาม ก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนธรรมดาเราทําดีถ้าเราทําดีขึ้นมาเราเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้คือเอาประสงค์เป็นที่ฟึ่งอย่างนี้ให้เป็นตัวอย่างอย่างนี้นค่ะเข้าใจค่ะขาในเรื่องของอ่าอ่าโบตที่จมลงไปในทะเลเคุณเจ้าพูดถึงความมาสะจารย์นี้อยู่นะบอกว่าอ่ามาสะจย์แห่งทะเลอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรที่มันไม่มีกําลังในการว่ายไปในทะเลเนี่ยทศระยะเวหนึ่งเนี่ยมันจะถูกซัดขึ้นฝั่งหมด เหมือนซากศพเนี่ยถ้าอยู่ในทะเลเนี่ยรรสร้างอะไรอยู่ในทะเลก็แล้วแต่จะถูกซัดขึ้นฝั่งหมดนะถ้าเวลาผ่านไประยะใดระยะหนึง่งเพราะฉะนั้นซากอะไรที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะถูกซัดขึ้นฝั่งหมดถ้ามันไม่จมน้ํานี่ประเด็นคือว่ามันอาจจะมีสาหลายอะไรไปโตทําให้พื้นมันลื่นเราก็ไม่ทราบละ่ะค่ะแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ของทะเลว่ามันจะซัดทุกสิ่งขึ้นฝั่งหมดซึ่งเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกัน ใ, ในครั้งพุทธการ แล้วก็นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ก็ไม่สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้นะครับเพราะจริงๆอ่ะเวลามีคนจมน้ําออจมเป็นร้อยจมเป็นพันก็เห็นโผล่กันทั้งหมดแล้นะคะใช่ส่วนบางทีเรือจมที่ยังมีคนไปดําน้ําเพื่อหาทรัพย์สิ่งของแล้วก็บางทีอย่างกับมีข่าวว่าพบเหมือนตู้คอนเทนเนอร์จมอยู่ในทะเลมีกะโหลกลาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวมาแต่ก็ยังไม่มีใครสรุปจริงๆได้ยังไม่เห็นของนี่แปลว่ายังไม่ถึงเวลาที่แล้วคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลา ต้องโปโลแน่นอนต้องไปในปัจจัยค่ะถ้าอาจารย์คะที่นี้ต้องขอประธานโทษที่ฉันเองเนี่ยก็ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคิดแล้วคิดอีกแล้วว่าเออสมควรจะมากราบเรียนถามท่านดีไหมตแต่อย่างไรเสียมันก็เป็นเรื่องของโลกที่เกิดอยู่บนโลกสมมุตินะคะอ่าคนเรามีความทุกข์ได้กับสิ่งที่เกิดมาในสมมุตินี้ทั้งนั้นเราก็เลยก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านกรณีดังมากเลยขออภัยนะคะรับปฏิทินนู๊ตนะคะ ทีนี้เราก็เลยอยากทราบว่าไอการได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางธรรมะของพระพุทธศาสนาจะทำให้มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างไรแล้วเราควรจะวางใจอย่างไรกับเขาโดยไม่ต้องไปเข้าแถวขอปฏิทินนะคะท่านคะอืมครูเจ้าพูดถึง เ, เรื่องของเสียนนม้มว่าบุคคลที่ทำ ในใจเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามเนี่ยบนะุคคลที่ตามประกอบอยู่ในสิ่งที่เป็นของสวยงามเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามแก่ผู้ที่ตามประกอบอยู่ในออสุภะกรรมฐานอสุภะนิมิตนะแล้วหมายความอะไรหมายความว่าคนที่ดูสิ่งของสวยงามรูปนูนก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยจะเป็นเสี้ยนหนามในการปฏิบัติออสุภะนิมิตเพราะว่าพระพุเจ้าไม่เห็นความเบื่อหน่าย ให้เห็นความไม่ดีไม่งามของมันเห็นตามที่เป็นจริงนะว่าสิ่งเราเนี่มีความเสื่อมเสียไปได้มีความแก่ได้มีความตายได้ผมบอกได้ตึงๆอยู่นี่ก็เหี่ยวได้เรียบๆอยู่ก็เป็นจุดได้ใช่ไหมก็จะจะไม่เห็นความเบื่อหน่ายไม่เห็นความทุกข์ก็จะทําให้ความคลายกาหนัดแล้วก็หลุดพ้นเป็นใบ้ยาเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยเป็นเสีย้ยนหนามเนี่ยต่อการอ่าปฏิบัติของเราคแล้วอีกประการหนึง่ง พระเจ้ายกตัวอย่างของสถานที่ที่ไม่ควรไปสิ่งที่ไม่ควรเสพสําหรับภิกษุว่าเธอสามารถละกิเลสด้วยการละได้การละที่พูดถึงเนี่ยก็คือการที่อไม่ไปในที่ต่างๆเหล่านั้นก็คือไปที่ที่มีของสวยงามต่างๆเหล่าเนี้ยคือการงดเว้นไม่ไปคเอพระเจ้ายกตัวอย่างของงูงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษ เราไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับงูที่เดียวกันรูปนูด๊ดรูปลายเนี่ยเป็นมีพิษพิษของมันคือราคะของพระเจ้าเปรียบเทียบพิษงูเนี่ยคือราคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วไปสถานที่แบบนี้แล้วไปต่อคิืแล้วเนี่ยเกิดราคะขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ควรทําควรงดเว้นค่ะคือในทางทำเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนอเพราะว่าในทางทมเรามุ่งเน้นที่จะให้ถึงแก่การ ลบนละวา ง, วางต่างๆแล้วพวกนี้จะเป็นพวกรั้ากิเลสใช่ไหมคะใช่จะว่ากันไปอันนี้ขออนุญาตพูดทางโลกนิดนึงว่าอืมันก็เป็นของที่มันปรากฏมีบนโลกแล้วก็มีอยู่เป็นระยะระยะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาโอกาสใช่ไหมคะยิ่งถ้าเป็น ช, ช่วงใกล้ปีใหม่ทำปฏิทินเนี่ยมันมีทุกปีไม่ว่าจะเป็นสินค้านี้หรือสินค้านั้นแต่มันต้องมีทีนี้เ อ, อจริงๆมันน่าเป็นห่วงคนที่ ควบคุมตัวเองไม่ได้ะะเพราะว่าถ้ามันเกิดอคู่กลุ่นอยู่ในตัวเองแล้วไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่เป็นอะไรแต่พระเจ้าบอกวาอ่าเรื่องพวกนี้นะเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนเธอควรงดเว้นในสิ่งเหล่านี้ค่ะอดังนั้นถ้าใครจะคิดพาตั ว, ตวเองถึงว่าต้องมีเพื่อนดีในการแัรกจูงไปที่ดีๆนะค่ะเออ ต้องมีเพื่อนดีในการชักจูงไปที่ที่ว่าไม่ได้เป็นสถานที่แบบนั้นเขาไปต่อคิวไป เ, เธอไปกับฉันดีกว่าไปอ่าไปอ่านหนังสือหรือว่าไปทําเล่นกีฬาอย่างนี้อย่าไปต่อคิวนายทักชวนไปที่ดีอย่างนี้ค่ะถ้าจะพาตัวเองหลุดพ้นระวางของแบบนี้อยากไปเสพต้องคุณงดเว้นเสียะนะคะมีอะไรดีๆที่ไม่ทําให้เราเกิดการพิจารณาเพื่อการละวางยาก อีกเป็นจํานวนมากแม้แต่กระทั่งตัวเราเองส่องกระจกดูตัวเองเนี่ยสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลานะคะอย่างสมมติว่าคนที่จะเสียเวลาไปดูปฏิทินนูก็ตามหรือว่าไปเข้าคิวหรือว่าถ้ามาเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้สืรามก ม, มีเยอะแยะไปหมดถามว่าแทนที่เราจะเสียเวลาไปในสื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าเอาเวลาคิดดูเอาเวลามาอ่านหนังสือธรรมมาหรือว่าศึกษาธรรมมเอาเวลามาปฏิบัติเนี่ยที่เราจะสูงขึ้น เราจะเป็นคนละคนอีกปีหนึ่งถัดมาที่ ด, ดูเราจิตเราเนี่ยมีกําลังจิตเรามีความป่องใสจิตเรามีอํานาจเหนือจิตเนี่ยเป็นผู้ที่จะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่อยากคิดเรื่องอะไรก็ไม่อยากคิดได้เป็นผู้ที่ไม่มีความคับแคลงเล้วร้อนมันดีกว่ า, ยาเยอะมากเลยท่านอาจารย์คะถ้าพูดถึงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงโทษในแง่ที่ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะละวางโดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาอาสุภนิมิตใช่ไหมคะเอ่อ ถ้าเป็นโทษอย่างอื่นที่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหชั้นก็ยังไม่ได้คิดอยากจะไปไหนไกลนะมไม่ได้อยากจะไปโลกุตตะละน ะ, ะ, ะยังอยากจะขอเอาเพียงแค่ชีวิตปกติปกติสุขเนะี่ยมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษไหมคะถ้าเป็นแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกงนี้เลยอันเนี้นะเป็นพวกกิเลสเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเศ้าหมองของจิตอเอาแค่เนี้ยเราไปคิดเรื่องการเนี่ยมันไม่เป็นสมาธิแล้ว แต่ให้คุณเข้าคิวมาดูภาพพวกนี้แล้วกลับไปทํา ง, งานเนี่ยจิตไม่นป็นไม่เป็นสมาธิหรอกประสิทธิภาพของงานลดลงประสิทธิภาพของงานลดลงเราไม่สามารถควบคุมภาษาได้ จ, จะมีการทะเลาะวิวาทโอ้โหเสียละเจ้านายไม่รักโอ้โหเสียละงานการเสื่อมโอ้โหเสียละมีแต่ข้อเสียคิดดูแล้วแค่ขนาดจิตนั้นเนี่ยถ้าเราไปเสพสิ่งพวกนี้นะจิตของเราเนี่ยจะมีความเร่าร้อน <Okay. S 2> ร่าร้อนก็ถูกไฟเผาที่จิตแล้วนอนก็กระสับกระส่าย <Okay. S 2> แต่แกงซ้ายแต่แงกงขวา <Okay. S 2> โอ๊คืนนี้จะเอาไปไหนดิแม่จะโทรไปหาใครดิไม่ได้เรื่องหรอกค่ะ <Okay. S 2> มันเร่าร้อนอยู่ในจิตงดซะละเว้นเสียค่ะก <Okay. S 2> ็ <Okay. S 2> นี่คื อ, <Okay. S 2> ค, อคือโทษที่เห็นได้ในปัจจุบันเลยคุณไม่ต้องหวังนิพมาผลนิพพานแล้งสิ้นอะ เอาแค่คืนนี้กลับไปนอนที่บ้านเลยมันก็ทุกแล้วเอาแค่ดูอยู่นะวินาทีนั้นน่ยจิตเล่าร้อนมันก็ไม่ดีแล้วถ้าตายไปตอนนั้นทําไงเนี่ยโอ้โหไปไหนเขเนี่ยถ้าตายทกปิแน่นอนไปทัวร์ที่ไหนก็ไคะพยากรณ์ได้เลยพยากรณ์ได้ถ้าอย่าติเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราอยากกลับเรียนถามท่านว่าเราสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยไม่จะมีคนพูดว่าจะมีนรกแต่ลักษณะต่างๆใช่ไหมคะถ้ากินเหล้าต้องไปกระทะท้องแดงค่ะเป็นชู้ต้องไปปีนต้นนิ้ว อผู้ทรงตัดเรื่องพวกนี้ไว้บ้างไหมคะพระเจ้าตรัสไว้เป็นกลางๆนะคบอกว่าอธิบายสภาพของนรกเนี่ยเป็นยังไงที่ที่ว่ามีบุคคลที่จมลงไปในน้ําเดือดถูกต้มลอยขวางอยู่พระเจ้าอธิบายไว้ตรัสถึงไว้อ่าแล้วก็โดยพิสดารมากมายแต่โอ้อธิบายสิงต้นยิ้วต้นอะไรก็มีแต่ว่าเรื่องผลของกรรว่าทํางี้แล้วไปอย่างนั้นเนี่ย ไม่ได้พูดลงไปแนวละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เป็นสูตรคณิตศาสตร์นะคะไม่ได้เป็นสูตรคณิตศาสตร์อย่างนัน oh, <okay. S 1> เพราะว่ากระแสแรงกรรมเนี่ยมันมันเยอะแยะมากมายค่ะ <Okay. S 1> เอาเพียงแค่ว่าอยู่ไม่ต้องจินตนาการต่อว่าไปขึ้นต้นนิ้วหรือลงกระทะเนี่ย <Okay. S 2> ก็ไปทุกคติ <Okay. S 2> แล้วถ้าหากว่าจิตสุดท้ายอยู่ตรงนั้นใช่เอาแค่วินาทีเนี้ยถ้าเรามีความร้อนร้อนเนี่ย <Okay. S 1> มันก็แย่พอแล้วแล้วก่อนตายนะเขาด้ยใจ ย, ยังบอกอีกก่อนตายนะถ้าเรามาคิดว่า ไอเราไม่ได้ทำกรรมดีไว้เลยเนี่ยผู้ที่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นทุกข์เปรียบเสมือนกับเงาของภูเขาเนี่ยเวลาตอนเย็นๆเนี่ยเงาของมันจะทอดลงไปในพื้นดิน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำให้ดีไว้ตอนนี้ตอนที่เราแก่ไปใกล้าตายไปเนี่ยเราไม่ได้ทำกรรมดีไว้ก็จะเครียดขึบนาตรงนี้อีก uh huh. อันนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นได้เลยครับจุฬา ก็คงจะเห็นทุกเห็นโทษกับพอสมควรแล้วในส่วนนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์แต่ว่าเช่นเคยนะคะต้องนิมนต์ให้ช่วยอยู่ขยายความในเรื่องของร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์ในช่วงต่อไปค่ะถามโลกตอบทาท่านฟังคะ่ะตามปกติที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบทั้งปีเมื่อมาถึงช่วงท้าย จะฝากกันเอาไว้ด้วยพุทธประวัติจากพระโอษพระพุทธองค์ตรัสเล่าประวัติของพระองค์ด้วยพระองค์เองแต่เนื่องจากว่าเราก็ได้อ่านกันจนจบไปแล้วอย่างไรก็ตามมีของล้ำค่าที่จะฝากไว้เช่นกันคือคำสอนของพระพุทธองค์ในส่วนที่มีการคัดกรองมาเป็นบทสั้น เพื่อที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนดิฉันก็ได้รับเมตตาจากท่านเอามาแจกให้กับท่านผู้ฟังเป็นสคสอปีใหม่ซึ่งเป็นแผ่นพับกระทัดรดัดขนาดประมาณฝ่ามือใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้ไว้พวกอ่านเพื่อพิจารณาไคร่ครวนในธรรม เพื่อความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปค่ะวันนี้ก็คงต้องนมัส ก, การให้ท่าอาจารย์ไผบูนะคะช่วยที่จะมาขยายความอีกสำหรับเรื่องพวกนี้เราพูดเรื่องค่อนข้างจะฉูดฉาดมากเลยนะคะวันนี้มาส่งท้ายด้วยการปฏิบัติดีไหมคะใช่ใชวันนี้จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติพ่อนาะเสด็กน้อยคือข้อที่6กพระเจ้าตรัสว่าเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลายแค่นี้เองชันมากนะคะชันมากเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลม <ลง S 2> หายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวอย่างนี้ค่ะเพราะว่ากายทั้งหลายมันมีหลายส่วนหลายอย่างาที่พระพุทธเจ้าอธิบายโดยเอกปริยายตับม้ามหัวใจเส้ใหญ่เส้นน้อยลาไส้กับอาหารใม่อาหารกล่าวนี้เป็นกายหมดะหนะแขนขากระดูกซี่โครงผิวหนังต่างๆเป็นกายหมด นะเพรา ะ, ะนั้นการลมหายใจก็เป็นการอย่างหนึ่งถามว่าทำไมพระเจ้าถึงใช้ลมหายใจในการที่บอกกรรมฐานาในบ้านที่บอกถึงอนาปานาสติเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสถึงว่าเอ๊ะควรจะพิจรารณาความเร็วความถี่ในการพิจารณาเนี่ยควรจะสักเท่าไหร่พระเจ้าก็พูดถึงว่าทุกลมหายใจบ่อยขนาดเนี้ยถึงจะเป็นการดี เพราะนั้นเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยให้เราเห็นตามที่เป็นจริงมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการดีแล้วอันนี้ยังไปปอดคล้องกับเรื่องของสมาสมาธิที่พูดถึงเรื่องของฌานสี่พระเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องสมาสมาธิคือหยุดที่ฌานสี่ตลอดเพราะว่าฌานสี่เนี่ยจะเป็นฌานสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนีเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนธรรดากายทั้งหลายดังนั้นถ้าเรามัมีสติรู้อยู่ลมในลมหายใจตลอดเนี่ยเท่าเท่านัา้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ตามเห็นกายในกายอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่จําเป็นว่าถ้าบางคนบอกว่าเออเธอต้องพิจารณาเห็นว่าไส้เป็นอย่างนั้นข้างในเป็นอย่างนี้กระดูกเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเห็นกายเหมือนกันเห็นลมหายใจก็เป็นการเห็นกายเหมือนกันค่ะนั้นก็ คือเป็นผู้ที่เจริญสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาล่ะค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทราบว่าปกติถ้าพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยมีอวัยวะสามสิบสองมันก็ดูเหมือนกับว่าลมหายใจนี่ไม่ใช่อวัยวะนะคะเพราะว่าเป็นลมเป็นธาตุที่จําเป็นสำหรับร่างกายใช่ไหมคะใช่ไม่มีธาตุเหล่านี้เราไม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ค่ะแต่วันนี้เราได้รู้ถึงความสําคัญอ๋อเพราะเหตุใด ลมจึงเป็นชีวิตเพราะลมมันมีอยู่ตลอดเวลากับเราดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ยกให้ลมเนี่ยเป็นเสมือนกับกายหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายของเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้สติอยู่กับลมรู้ทั้งเข้าทั้งออการที่ตั้งแห่งสตินะคะอ่าวันนี้ท่องไปเลยค่ะเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็น กาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายจากร้8ตถาคตภาสิทธิ์ที่เรากําลังแจกกันอยู่ที่หมายเลข0ูน6 9 0องสนะคะติดต่อมาที่สถานีวิทยุ FM 106ด้วยเบอร์นี้วันนี้เราก็คงจะส่งท้ายกันด้วย108ยแตถาคตบทที่6ที่ว่าเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเนี่ยแหละคะ่ะน้อมักการขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะ